ขออนโมทนาสาธุการในกุศลละเจตนาของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติกรรมฐานคือการทำใจให้สงบตามหลักที่พระูมีพภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้หลักการปฏิบัติกรรมฐานนั้น เป็นหลักการปฏิบัติขั้นสองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ส่งบัญญัติไว้ในไตรสิกขาคือในทางพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าบรรดากิเลสคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทําจิตใจให้เศ้าหมองขุดมัวนั้นมีรากอยู่ที่อวิชชาคือความรู้ไม่จริง และตันหาคือความทยานอยากในปัจจุบันตัววิชานั้นได้แสดงตนออกมาเป็นรูปของอากุศลละมูลคือรากง่าวของอากุศลสามอย่างด้วยกันอย่างแรกเรียกว่าโลภะเป็นกิเลสสายที่ดึงสิ่งต่างๆเข้ามาหาตัวเอง โดยการที่ใจของบุคคลไปกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ได้สิได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสที่บุคคลได้ถูกต้องหรือได้เห็นด้วยตาเป็นต้นอีกิเลสประเภทหนึ่งนั้น เป็นกิเลส ท, ที่ผลักออกไปคือไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นก็ได้แก่สายโทสะซึ่งหมายความว่าบุคคลไปกำหนดรูปเสียงเป็นต้นไว้ในฐานะไม่น่าปรารถนาะไม่น่าพอใจอีกสายหนึ่งออกมาในรูปของโมหะคือฟุ้งสรรั้นรำคาญ และเกิดความลังเล ส, สงสัยออกมาในลักษณะต่างๆกิเลสทั้งสามประเภทนี้แสดงตัวออกมาเป็นสามชั้นด้วยกันชั้นแรกเรียกว่าวิติกรมะกิเลสคือส่วนที่ทะลักออกมาทางกายกับทางวัจา ควบคุมอาการกายวาจาของบุคคลให้กระทำให้พูดไปในทางที่เป็นทุจริตดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลซึ่งเป็นข้อห้ามควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจาของบุคคลไว้ไม่ให้พูดไม่ให้กระทำอะไรไป ด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ได้แก่กายทุจริตสกับวจีทุจริตสีเมื่อบุคคลงดเว็นจากกายทุจริตสมคือไม่ละเมิดสิทธิในร่างกายของบุคคลอื่นไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น ไม่ละเมิดสิทธิในทางประเวณีของบุคคลอื่นพูดจาถ้อยคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงคำไพเราะอ่ อ, อนหวานคำสมานสามัคคีและคำที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นอันยุติไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงควบกลุ่มอาการกายวาจาของบุคคล ให้เป็นไปในทางที่ทุจริตได้ทั้งนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติตามหลักของสมาชีวะคือการดำรงชีวิตในทางที่ชอบที่ควรคือถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมตามฐานะของบุคคล น, นั้นๆด้วยจะเห็นได้ว่าการละเมิดในขั้นของศีลนั้น เมื่อบุคคลละเมิดกระทําลงไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นเมื่อบุคคลยุติไม่ให้กิเลสเข้าไปควบคุมอาการทางกายกระทางวาจาของตนได้แล้วก็ชื่อว่ายุติเวรไัย ไม่ให้มีการกระทำเป็นไปในลักษณะเบียดเบียนประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นแต่ในขณะเดียวกันกิเลสก็หาได้หมดไปจากจิตใจของบุคคลไม่ยังคงเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจทำจิตใจของบุคคลในร่าเรอนไปตามลักษณะของกิเลสทั้งสามประการนั้นกิเลสส่วนนี้ ทรงเรียกว่าปริยุท ธ, ธานกิเลสคือกิเลสที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจทําใจให้ร่าบร้อนกระสับกระส่ายไปด้วยประการต่างๆคือร่าบร้อนด้วยแรงปรารถนาบ้างร่าบร้อนด้วยแรงพยาบาทบ้างร่าบร้อนด้วยแรงของความซึ่งซึมอ้อยเ ง, า เ, งาเป็นต้นบ้างกิเลสประเภทนี้ ไม่ถึงกับไปทําความเดือดร้อนให้แก่ใครๆแต่ว่าได้สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล น, นั้นๆคือหมายความว่ากิเลสกองใดเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลใดก็สร้างความเลวร้อนให้เกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้น กิเลสส่วนนี้เองที่พระภูมีพระภาคยาวได้ทรงสุดแดงหลักของสมาธิหรือหลักของกรรมฐานเพื่อจะแก้บรรเทาขาจัดกิเลสเหล่านั้นออกไปจากจิตใจคือไม่ให้เกิดขึ้นกรุ้มรุมใจตามจิตใจของบุคคลในร่ารอนแต่ว่าการปฏิบัติกรรมฐาน เป็นงานที่ออกจะละเอียดประณีตมากดังนั้นจึงทรงจำแนกกรรมฐานไว้เป็นสองประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าสมถกรรมฐานคือการงานทางใจการงานที่บุคคลจะพึงทำทางใจด้วยการการทำจิตใจของตนให้ส ง, งบ จากกิเลสเหล่านั้นแต่เนื่องจากจิตใจของบุคคลทําหน้าที่รู้อารมณ์ทางประสาทสัมผัสคือทางอายตนะทั้งหกประการได้แก่รู้รูปทางตารู้เสียงทางหูเป็นต้นจนถึงรู้อารมณ์ทางใจแล้วเมื่อรู้แล้วก็จะต้องเก็บ สิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในจิตใจหลังจากเก็บไปแล้วก็จะนำสิ่งที่เก็บไปนั้นมาคิดงานของจิตจึงเป็นงานที่ต่อเนื่องกันคือจะต้องรู้ต้องเก็บต้องจำอารมณ์ไว้แล้วก็คิดอารมณ์ดังนั้น วิธีการของสมถกรรมฐานนั้นก็คืออาศัยคุณสมบัติของจิตที่มีอยู่เดิมนั่นเองคือใช้ไปอย่างเดิมจิตเคยรู้ก็ให้รู้จิตเคยเก็บก็ให้เก็บจิตจิตเคยคิดก็ยังคงให้คิดอยู่แต่ว่าตัวการสำคัญนั้นอยู่ที่รู้ วิธีการของสมถะกรรมฐานก็คือกําหนดให้รู้เฉพาะสิ่งที่ ด, ดีเรียกว่าให้ระลึกรู้สิ่งซึ่งสามารถทําใจให้สงบได้คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีลักษณะเป็นตัวกระตุ้นให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายโลภะโทสะหรือโมหะกาตาม สิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานคําว่าอารมณ์คือสิ่งที่ใจไปกาหนดระลึกเฉพาะในกรณีนี้หมายถึงสิ่งที่ใช้ให้ใจกาหนดระลึกพระพ ภ, ภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ถึง40อารมณ์ด้วยกันเฉพาะส่วนที่เป็นสมถกรรมฐาน การปฏิบัติในชั้นนี้เรียกว่าอารัมมณูปนิชานคือการเพ่งอารมณ์ให้ใจรู้อยู่เฉพาะที่อารมณ์ของกรรมฐานแต่ละข้อจะเห็นได้ว่าอาการของใจที่รู้เก็บและคิดนั้นจิตรู้เรื่องใดก็จะเก็บเรื่องนั้นเก็บเรื่องใดไว้ก็จะคิดเรื่องนั้น คิดเรื่องอะไรก็จะรู้แจ้งในเรื่องนั้นดังนั้นถ้าเริ่มที่รู้ดีการเก็บก็จะเก็บดีการคิดก็จะคิดดีแล้วจะเกิดความรู้แจ่มแจ้งในสิ่งดีเหล่านั้นอีกกรรมฐานอีกประเภทหนึ่งนั้น <c oughs> เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาให้เห็น สิ่งทั้งหลายแจมแจ้ ง, จงตามความเป็นจริงคือให้เห็นคือให้เห็นความจริงตามทัศนใจลักแต่ว่าที่จะพูดและศึกษากันในทีน่นี้จะพูดเฉพาะส่วนที่เป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐ า, าน และจะกำหนดให้ใกล้เข้าคือเะพะูดเฉพาะส่วนที่เป็นอนาปานสติกรรมฐานคือกรรมฐานที่กำหนดระลึกลมหายใจเข้าออกถ้าจะถามว่าทำไมจึงใช้ศึกษาและปฏิบัติในกรรมฐานคนอีกข้อแรก พระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่จะศัสรูอนุตตรสมาสัมโพธิญาณนั้นได้ทรงปฏิบัติกรรมาฐานข้อนี้เป็นบันไดขั้นตน้นประการที่สองอารมณ์ที่จะใช้กำหนดระลึกนั้นมีอยู่แล้วที่ตัวของบุคคลคือลมหายใจเข้าออกซึ่งหมายความว่า ถ้าหากบุคคลมีฉันทะอุตสาหะที่จะสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วจะใช้โอกาสตอนใดก็ได้ทำความสงบให้บังเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ที่ทรงแสดงให้กำหนดระลึกนั้นมีอยู่พร้อมแล้วประการที่3นิมิตหรือปีติและปีติ ที่จะบังเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมฐานนั้นหากเป็นผลของอนาปานสติกรรมฐานแล้วจะไม่มีลักษณะที่น่ากลัวมีแต่เรื่องดีๆเป็นการเพิ่มพูนฉันทะอุตสาหะของบุคคลให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งยิ่งขึ้นไป และประการที่สามที่สี่ในการปฏิบัติกรรมฐานของบุคคลแต่ละคนนั้นก่อนที่จะประทานกรรมฐานให้พระพุทธเจ้าจะเลือกประทานไปตามจริตของบุคคลซึ่งทรงจำแนกไว้เป็นหกจริตด้วยกัน ประเภทแรกเรียกว่าราคะจริตคนประเภทนี้มีปกติเรียบร้อยสวยงามทำงานทำการทุกอย่างประณีตละเอียดลออแต่ถ้าความเข้มข้นสูงแล้วก็จะมีความรักความหลงความยึดติดในเรื่องต่างๆจนถึงกับบางครั้งสยบติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นได้ บุคคลประเภทที่สองเรียกว่าโทสษจจริตคนประเภทนี้สังเกตได้ว่าเป็นคนที่รุนแรงทำอะไรฉับไวว่องไวมีความคล่องตัวรวดเร็วกระฉับกระเฉ่งเมื่อมีความรู้สึกรุนแรงเช่นนี้อะไรก็แรงหมดพระฉะนั้นเวลากระทบอารมณ์เข้ามันก็แรงคืออาจจะโกรธผงผางอะไรลงไป ถ้าหากว่ามีความเข้มข้นสูงก็ออกมาในลักษณะของประทุษร้ายโกรธง่ายอาฆาตพยาบาทเป็นต้นประเภทที่สามนั้นเรียกว่าโมหจริตคือเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆทำอะไรก็ไม่ค่อยกระฉับกระเจงแล้วก็มักจะซึมซึม ขาดการคล่องตัวว่องไวท่านก็ให้หลักสังเกตเอาไว้ว่าให้สังเกตเวลากวาดขยะถ้าคนราคะจริตกวาดขยะก็จะกวาดอย่างเรียบร้อยสวยงามไม่มีอะไรบกพร่องคนโทสะจริตนั้นไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ทาได้เร็วส่วนคนโมหะจริตทําอะไรไม่ค่อยจะเรียบร้อย รีดผ้าก็ไม่ค่อยเรียบร้อยควาขยะก็ไม่เรียบร้อยจะเขียนหนังสือก็ตกๆดลนๆจะเห็นได้ว่าอารมณ์ของบุคคลทั้งสประเภทนี้ก็แสดงออกมาในรูปของจริตคือเป็นพื้นอัธยาศัยของบุคคลนั้นๆประเภทที่สเรียกว่าสัทธาจดิตประเภทที่4เรียกว่าสัทธาจริตคือเชื่อ เชื่ออะไรง่ายไปลักษณะของคนที่เชื่อง่ายนั้นว่าที่จริงในแง่ดีก็ดีหากว่าเขาได้แหล่งของความเชื่อที่ดีแต่บางคราวก็อาจจะไม่ดีถ้าเผื่อว่าเขาไปได้แหล่งความเชื่อที่ไม่ดีคนประเภทนี้ทําอะไรก็เป็นคนหัวอ่อนเชื่อง่าย เรียบร้อยเช่นเดียวกับราคายจริตประเภทที่ห้าเรียกว่าพุท ธ, ธิจริตหรือปัญญาจริตเป็นคนว่องไวปราดเปรียวเคร่องแคล่วเอาจริงเอาจังในเรื่องราวต่างๆแต่ถ้ารุนแรงไปคือความเข้มข้นสูงไปกว่าจะมองอะไรในลักษณะที่เป็นสุญญตาไปหมดก็ได้ และในที่สุดก็ปฏิเสธบุญบาปปฏิเสธพ่อแม่ไปหายไปเลยโอกาสที่จะเสียงก็มีได้คนประเภทนี้มันก็คล้ายๆกับพวกโทสัจริตประเภทสุดท้ายเรียกว่าวิตักรจริตคือมีความนึกคิดพู้งสั้นไปสายไปมีความมีตกกังวลเรื่องอะไรเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็จะเก็บกดไว้เป็นเวลานาน คล้ายๆกับคนโมหะจริตแต่ได้โปรดเข้าใจว่าจริตทั้งหกนี้มีอยู่แก่คนทุกคนแต่ว่าใครแสดงออกมาในลักษณะใดมากก็เรียกคนเหล่านั้นว่าจริตนั้ น, น, นจริตแต่ละจริตก็ทรงประธานกรรมฐานคืออารมณ์ของกรรมฐานไว้ไม่เหมือนกัน อย่างพวกราคาจริตซึ่งมีความคิดฝ่ายฝันไปในเรื่องที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมากก็ทรงประทานกรรมฐานเอาไว้พวกหนึ่งเช่นในตรวจสอบดูร่างกายตนเปน็นต้นพวกโทสจริตมีลักษณะที่รุนแรงเกลี้ยวกราอดกรรมฐานก็เหมาะสมรับเขาอีกพวกหนึ่งเช่นเมตตาเป็น พวกโมหะจริตจิตใจเลื่อนลอยไม่ค่อยจะสงบอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเช่นเดียวกับพวกวิตกจริตก็ทรงประทานอนาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกไว้พวกสถาจริตเชื่อง่ายก็ให้พุทธานุสติเป็นต้นไว้พวกพุทธิจริตใช้ความคิดใช้ปัญญามาก กรรมาฐานก็จะมีรูปในลักษณะของการวิเคราะห์วิจัยเช่นตรวจสอบดูธาตุทั้งสี่เป็นตน้นแต่ว่าให้สังเกตว่าผู้จริตทั้งหกนั้นสแสดงออกมาในรูปของความคิดเหมือนกันราคะจริตก็จะคิดไปเรื่องรักๆ ใ, ใคร่โทสะจริตก็จะคิดไปในเรื่องขุนใจไม่พอใจอาฆาตแค้นพยาบาทโมหะจริตก็ ต่อิตกจริตมีลักษณะฟุ้งซายไปต ถ, ถาจริตก็แล้วแต่จะน้อมใจไปในเรื่องอะไรก็จะคิดปักในเรื่องนั้นพุท ธ, ธจริตก็เป็นเรื่องของคนที่คิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาณาปานสติกรรมาฐานจึงกลายเป็นกรรมาฐานที่ใครใช้ก็ได้คือคนจริตใดก็ได้ สามารถปฏิบัติให้เกิดเป็นความสงบขึ้นมาได้ดังนั้นจึงเลือกกล่าวในส่วนที่เป็นอนาปานสติกมัฏฐานและตัวอนาปานสติกมรมฐานนี้เองในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการปฏิบัติกันแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหลักการปฏิบัตินั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้จะกล่าวในที่นี้เฉพาะในวันนี้สักตอนหนึ่งทรงแสดงว่าให้บุคคลเข้าไปสู่ที่ส ง, งัดที่เรียกประกายิวิเวก ค, คือให้กายส ง, งัดแล้วในขณะนั้นเมื่อกายส ง, งัดนั่งอยู่ กายกับวาจาก็เป็นศีลไปโดยอัตโนปัติแตตามปกติโดยหลักการปฏิบัติแล้วมักจะมีการอธิษฐานศีลหรืออาราธนาศีลรับศีลสะกนเพราะว่าศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วเป็นฐานให้เกิดสมาธิแต่หากว่าบุคคลยังมีความบุกร่องในศีลอยู่ สมาธิจะเกิดขึ้นได้ยากที่นี้เมื่อได้ที่สงัดแล้วก็ทรงสอนให้นั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้านี้เป็นสำนวนที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากคือหมายความมานั่งขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางทับมือซ้าย ให้นิ้วหัวแม่มือห่างกันหน่อยหนึ่งก็ไม่ใช่ทับแบบที่ให้รู้สึกบริยาบทมันเครียดอะไรตั้งตัวตรงก็ไม่ใช่ตรงจนเยดแต่ไม่ใช่ถึงกับคูสรุปว่าให้นั่งแบบสบายสบายต่อแต่นั้นก็กำหนดสติใช้สติเป็นตัวระลึกตามลมหายใจเข้า จะยาวหรือสั้นก็ตามก็กําหนด ร, รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหรือว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นเวลาหายใจออกก็กําหนด ร, รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหรือว่าเราหายใจออกสั้นก็แล้วแต่อาการที่หายใจการหายใจก็ทํานองเดียวกันคือไม่ต้องไปเร่งอะไรเราเคยหายใจยังไงก็หายใจไปอย่างนั้น เพียงแต่เอาสติไปกำหนดระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองคือกำหนดตามไปหายใจเข้าก็กำหนดระลึกตามไปหายใจออกก็ระลึกตามออกมาตามเข้าตามออกอยอย่างนี้จิตของบุคคลที่ตามระลึกอยู่โดยวิธีนี้ ในที่สุดก็จะค่อยๆตัดอารมณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ภายนอกให้ออกไปแล้วก็จะเกิดความส ง, งบขึ้นอยู่เฉพาะที่ลมหายใจเข้าออกซึ่งบุคคลตามกำหนดระลึอกอยู่แต่ว่าได้ปรดเข้าใจว่าการทำใจให้ส ง, งบตามลมไปในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ พูดง่ายแต่ทำยากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วจิตใจของบุคคลก็ถูกปล่อยไปตามอารมณ์ที่ตนต้องการแล้วโดยมากแล้วจะตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเพราะฉะนั้นเมื่อนำมาให้ส ง, งบอยู่ในจุดของอารมณ์กรรมฐานนั้น บุคคลจะต้องยอมรับความจริงว่าต้องใช้เวลาส่วนจะใช้เวลามากเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตของแต่ละบุคคลนั้นประการแล้วอีกประการหนึ่งก็คือปัจจัยแวดล้อมที่จะเข้าสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเราอาจจะมีการงานอะไรอยู่ก็ตาม แต่ว่าเมื่อตั้งใจจะทําความสงบจิตแล้วในขณะนั้นจะต้องตัดพวกกังวลต่างๆออกไปให้หมดไม่ว่าเรื่องอดีตรเรื่องปัจจุบันหรือเรื่องอนาคตก็ตามแต่ให้กําหนดรู้อยู่เฉพาะปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นอย่างที่กล่าวแล้วแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆ เมื่อปฏิบัติไปจะเป็นกี่ครั้งก็บอกไม่ได้แต่ว่าโอกาสหนึ่งใจก็จะค่อยคุ้นเคยกับความสงบและจะเกิดความยินดีในความสงบฉันทะอุสาหาวิริยะเป็นต้นก็จะติดตามมาในโอกาสหนึ่งความสงบ ก, ก็จะบังเกิดขึ้น ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว